ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญให้นั่งเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ทราบมานั้นจริงทีเดียวการที่ท่านพระโคดมทําเช่นนั้นไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพ ร, ราหมณ์ เรายังไม่เห็นใครไม่ว่าในโลกไหนนในบริษัทไหนหนที่เราควรจะไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้นั่งเพราะว่าตถาคตไหว้ลุกรับหรือเชือเชิญผู้ใดให้นั่งศรีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดตกไปสพรามกราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนไม่มีรถพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราม ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะตะถาคตละรสคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงสี่พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่า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 ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมมลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 5. พราหม์กลาบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมสอนไม่ให้ทำพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมมลอยู่เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตลอดถึงการไม่ให้ทำบาป อกุศลทำต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 6. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมสอนให้ทําลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราสอนให้ทําลายราคะโทสะโมหะตลอดถึง ให้ทำลายบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 7. พราหมณ์กลาวทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างรังเกียจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราช่างรังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และบาปอกุศลธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 8. พราหม์กล่าบทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างกาจัดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะ และบาปอากุศลธรรมต่างๆข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึง 9. พราหม์กลาวทูลต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเรากล่าวถึงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายคือกายทุจริต ว จ, จีทุจริตโมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญพรามเราเรียกคนที่ละ บ, บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรเผาผลาญตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนช่างเผาผลาญตถาคตละ บ, บาปอกุศลธรรมต่างๆที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้น ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงสิ 10. พราหมณ์กราบทูลต่อไปว่าท่านพระโคโดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่เพราะเราเรียกคนที่ละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตานที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดตถาคตละการอยู่ในคันและการเกิดใหม่ได้หมดสิ้นแล้วข้อที่เขากล่าวหาเรานั้นมีมูลอยู่แต่ไม่ใช่ที่ท่านกล่าวถึงทรงอุปมาด้วยลูกไก่ 11. ิอพรามไข่แปดฟองสิบฟอง หรือสิองฟองที่แม่ไก่กกหรือฟักดีแล้วลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจะ ง, งอยปากทําลายกระเปาะไข่ออกมาได้ก่อนควรเรียกมันว่าเป็นตัวพี่หรือตัวน้องควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาเช่นเดียวกันนั่นแหละพรามในขณะที่หมู่สัตว์ถูกกระเปาะไข่คืออวิชชาห่อหุ้มอยู่ เราได้ทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตระสัมมาสัมโพธิยานอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดของโลก